แบบฉบับของโลกเรียกว่าศาสตาของโลกก็คือแบบฉบับนั่นแหละเพราะว่าที่สอนไว้ทุกแหน่ทุกมุมออกมาจากแบบฉบับถือหลักฐานของใจที่เบยสุดเรียบร้อยแล้วดังนั้นฉะนั้นอุบายวิธีทุกประเภทที่ได้ประทานไว้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 ลุดพ้นจากทุกข์ไปได้แม้แต่ทุกข์ขั้นหยาบๆไม่ต้องกล่าวถึงขั้นละเอียดเลยผู้ดูหรือสนใจในพระธรรมวินัยอยู่ทุกระยะชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกระยะ ได้ปลีกแยะออกไปในขณะในขนดขณะนั้นชื่อว่าได้ปลีกแยะออกแล้วจากพระพุทธเจ้ า, จาคือผู้บริสุทธิ์รีบโบกกลับเข้ามาทันทีได้แกะปรับปรุงความรู้ความเห็นความประพฤติของตนเสียใหม่ให้เข้าร่องรอยกับสวัสดิ์คาตธรรมนี่ชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระองค์ท่านโดยตรง พระพุทธเจ้าได้ตรัสซด้วยอุบายใดยอมนำอุบายนั้นมาสอนสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชยิ่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดและออมากทางด้านพระวินยัยทางด้านธรรมะสิ่งที่นักบวชเราปฏิบัติ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 เช่นการบินธบาติาฉันนี่เป็นกิจของพระตามเสด็จพระพุทธเจา้าเพราะพระองค์ท่านแม้จะเป็นกษัตริย์ในทางโลกและเป็นศาสดาในทางธรรมะก็ไม่ท่งลดละ ในเรื่องการบินทบานถือว่าเป็นประเพณีของนักบุรนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาการฉันก็เหมือนกันฉันในบาทก็มีพระอุบาทสอนไว้ฉันมื้อเดียวก็มีพระอุบาทสอนไว้พระาวาัดที่สอนไว้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมเครื่องรับรองอยู่แล้ว เป็นขั้นขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติจะดำเนินไปตามโครงได้แค่ไหนในความสามารถของตนผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ปัญญาไต่ตรองไปตามหลักพระธรรมวินัยอย่าประพฤติเอาตามความเคย ที่เป็นมาแล้วนักบวชเป็นเพศที่พินิษพิจารณามากมีเหตุผลประจำตัวเสมอจึงจะจัดว่าเป็นนักบวชที่ลาบลืมหรือเป็นนักบวชที่ทรงไว้ซึ่งความไว้วางใจแก่ตนเองและหมู่คณะที่มาเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังเป็นที่ ดรงไว้ซึ่งศาสนาธรรมเพื่อประโยชน์แก่โลกด้วยเพราะศาสนาเป็นแบบฉบับของโลกเนื่องมาจากพระพุเทธเจ้าเป็นบุคคลแบบฉบับของโลกพระที่ดํารงเพศที่เรียกว่าสากะยะบุตรของพระพุเทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ดํารงไว้ซึ่งพระศาสนาอย่าให้บกพร่องในหน้าที่ของตน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 การปฏิบัติ ต, ต่อตนเองเป็นสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรจรึงจะเป็นการถูกต้องกับหลักพระธรรมนี้ไหนยืนก็ให้ถูกต้องเดินนั่งนอนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมนี้ไหนทำพูดคิด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 สำหรับใจอยู่เสมอผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้รับความเย็นใจใจเป็นสิ่งที่มีหลักแหลง่งถ้าทําให้มีหลักแหลง่งส่วนสิ่งต่างๆภายนอกจนเข้ามาถึงส่วนร่างกายไม่มีหลักแหะหลักแหลง่งไม่มีกฎเกณฑ์แนวแต่เหตุการณ์จะมาทําลายเมื่ อ, อไรก็จะสลายไปตามเรื่อง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 นี่เป็นเรื่องสำคัญการสร้างรวมอันแท้จริงหมายถึงการสร้างรวมมัน น, นี่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาถ้าผู้มีความสร้างรวมระวังอยู่เสมอทั้งภายนอกทั้งภายในผู้นี้จะชื่อว่าผู้สั่งสมความสามารถขึ้นมาใส่ตนเป็นลำดับ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 ไม่มีสติไม่มีปัญญาจะเอาอะไรมารักสังรวมระหว่างการสร้างตนให้มีความสามารถต้องสร้างกับความสังรวมระหว่างความขยันหมั่นเพียรเพียรละมัดนระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นจากตนโดยไปวาดภาพจากสิ่งต่างมายุ่งกับใจแล้วก็หาว่า สิ่งนั้นไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนี้ไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าจังมันล้วนแล้วตั้งแต่ภาพของใจที่ไปประสบเข้ากับสิ่งที่มันปรากฏตัวอยู่ตามธรรมชาติของเขานั้นแล้วเอานำเอาอันนั้นเป็นเครื่องมาปรุงแต่งภายในใจิตใจจึงกลายเป็นภาพเปล่องนั่นๆขึ้นมาภายในใจแล้วติดพันเดือดร้อนอยู่กับเรื่องอันนั้นหาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นฆ่าศึกแก่ตเองแท้จริงก็คือ จิตใจของเราที่ออกไปวาดภาพนำเอาภาพนั่นเข้ามาเป็นยาพิษเผาร้นตนตนเองด้วยความไม่สังรวมระหว่างนั่นแหละเป็นตัวเหตุอันสำคัญแค่นั้นคำว่าสังรวมตนนี้จึงเป็นประโยชน์อันใหญ่มากภายนอก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 ถ้าหากมีความสังรวมระวังอยู่แล้วแม้จะยังไม่สามารถที่จะปลดเปื้องแก้ไขกันได้ให้เด็ดขาดกับสิ่งภายนอกก็ตามแต่ก็เป็นบันไดที่จะสามารถให้ปลดเปลื้องจากสิ่งนั้นได้ด้วยความสังรวมระวังนี่แหละโปรดให้พากันถือเป็นหลักสาคัญสำหรับผู้ปฏิบัติยาได้ปล่อยธรรมะคือความสังรวมระวังนี้ และอย่าเห็นว่าเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันโปรดให้เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่สําคัญตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังจะไม่นอกเหนือจากคากํามำสังรวมนี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านดําเนินมาคือความสังรวมระหว่างไม่ปล่อยพระองค์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 กับสิ่งเหล่านี้เพื่อมาเป็นค่าสิดทาให้พระองค์เสียประโยชน์แต่พยายามกาจัดปัดต่อสิ่งเหล่านี้ออกด้วยความสังรวมระวังและมีความสังรวมระวังตลอดสายจนถึงวันตรัสรู้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 ด้วยอำนาจของมักคือการพ้นควา้านี่แหละสัตว์โลกทุกแห่งทุกหนไม่มีผู้ใดที่จะกลัวอย่างอื่นมากยิ่งกว่าความตายอันนี้เป็นธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจมากครอบงำสัตว์โลกไว้ทั่วดินแดน ไม่มีใครสามารถอาจเติมมาจะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความตายเพราะเห็นว่าความตายนั้นเป็นความจริงอันหนึ่งเสมอประเสมอกับสภาวะทั่วทัวไปในแหล่งแห่งโลกฐานเพราะฉะนั้นพวกเราทาัทาง้ทงๆที่กลัวจึงหาทางออกมาได้เพราะกลัวด้วยความไม่ชอบทำการสอดแสวง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 แล้วจะเห็นเป็นเรื่องความจริงเสมอภาคกันหมดในไตรโลกฐานเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าอะไรหนักเบากว่าอะไรพราะมันเป็นความจริงแต่และอย่า ง, างแล้วจิตจะไปกังวลกับอะไรละ <c oughs> เมื่อจิตได้อย่างถึงมูลความจริงคำว่าสมูทายนี้เป็นได้ทั้งส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดเอาอย่างให้ทราบทั้งหมดยาให้เหลือหลอกันได้ มีซากแห่งสมุทัยอยู่ภายในใจตรงนั้นเลยเรื่องของทุกข์จะมีส่วนมีทางกายหรือจะมีทางน้าทางภายใน จ, ใจิตใจตามดูให้เห็นชัดนะด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเมื่อได้พาดำเนินหรือ พาทำงานหรือส่งเสริมอยู่เสมอจะเป็นสติปัญญาที่มีความแก้วกลาสามารถอาจรู้ได้ทั้งทุกทั้งสมุทยัยทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของทุกข์ของสมุทัยได้โดยตลอดทั่วถึงแม้นิโรธคือความดับสนิท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 เนื่องจากสมุทัยดับไปด้วยอํานาจของปัญญานี่โลทะจะแสดงตัวออกมาตลอดสายเพราะอํานาจของมัคเป็นผู้ทํางาน ผ, ผลออกมาเลยโดยผลจึงเป็นเรื่องของความดับผูกเข้าไปเป็นชั้นๆเมื่อถึงขั้นสุดยอดแทงมัคที่ได้ทํางานอย่างเต็มที่แล้วผลอันสุดยอดคือความดับสนิทโดยไม่เหลือ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 มีสติปัญญาเป็นผู้เดินหน้าชัตจะทมทั้งสีน่นี้จะไม่มีทางลี้ลับและซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทุก็จะเห็นกันได้ชัดเจนสมุทัยก็จะรู้ได้และถอนได้จนหมดเชือ้อด้วยอำนาจของมัดที่มีกำลังเป็นลำดับๆจนเต็มกำลังของตน เมือนิโรธะก็จะเห็นความดับเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงดับชนิดไม่มีอะนรดเหลือรมทั้งสีน่นี้เมื่อได้ถูกปัญญาทที่กล่าวนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้ว สกกายเป็นความจริงเสมอกันหมดคือทุกข์ก็เป็นความจริงฝ่ายอันหนึ่งสมุทัยเป็นความจริงอันหนึ่งมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่ง น, นิโรธก็เป็นความจริงอั น, น, นด้วยใจจริงที่นีไม่ได้เป็นความจริงตามความคาดหมายตามหลักธรรมปปุตติจันั้นแต่เป็นความจริงประจักษ์กับปัญญาของผู้นั้น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 ธรรมชาติที่รู้สัจจะทั้งสีนี้คืออะไรนั่นแหละเพราะการปฏิบัติให้รู้แจ้งในสัจจะธรรมทั้งสีก็เพื่อธรรมชาตินี้เมื่อสัจจะได้แยกตัวออกจากเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนอยู่ในท้ำกลางแห่งสัจจะทั้งสีนี้แต่ไม่ใช่สัจจะทั้งสีนี้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 ปฏิมคปฏิบาาัติธรรมําเนินเข้ามาจุดนี้เรากลัวตายเวลาบำเพ็ญความเพียรมีความทุกข์ความลาบากบ้างเรากลัวตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนพี่นายดูดิท่านนักปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นผู้กล้าตายด้วยกันจงพยายามรู้เรื่องคำกลัวตาย ให้เข้าถึงรากฐานของความกลัวคืออะไรถ้าไม่ใช่ตัวสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรนี่ตามการตามรู้นั้นถ้าไม่ใช่มรรคแล้วจะเป็นอะไรน้ารู้กันถึงฐานของสมุทัยด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่แล้วจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ชนิดภายในจิตใจเมื่อสัจจะทั้งสีนี้ได้ทำงาน ได้ปฏิบัติต่อกันโดยสมมูรณ์แล้วความวุสุดจะพหามาจากไหนนั่นคือความหายยุ่งยุ่งก็ยุ่งจากสัจจะทั้งสีนี้แหลโดยที่ใจไม่เห็นว่าเป็นของจริงมันก็กลายเป็นเรื่องค่าศึกต่อกันเสมอพอตางได้ทราบปัญญาได้ทราบว่าสิ่งทุกสิ่งเป็นของจริงแล้วในสัจจะทั้งสีนี้แล้วก็หมดปัญหากันไปหาพระนิพพานก็ไม่จาเป็น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 ไม่มีอะไรจริงสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถ้าแยกออกจากสัจจะหรือเห็นสัจจะทั้งสีนี้ว่าเป็นค่าศึกต่อตอนแล้วจะเป็นผู้ปลอมเสมอไปจะหาของจริงไม่ไ ด, ด, ด้เพราะฉะนั้นโตรดพิจารณาถึงรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีมูลความจริงเพราะฉะนั้นหลักธรรมจริงยืนกันเป็นหลักของศาสนาด้วยว่าชัด สัจจะทั้งสิน้นคือทุกขังอริยสังหรือเรียกว่าอริยศัจสิ่นี่คือหลกักรากฐานของศาสนาเป็นมานานแนวมีมานานแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัส ร, รุปพ่อของจริงเหล่านี้โปรดสืบกิดนาให้ดีถ้าอยากจะเห็นความบริสุทธิ์ว่าอยู่ที่ไหนแน่ อยู่ที่ทุกหรืออยู่ที่สมุทัยหรืออยู่ที่มรรคหรืออยู่ที่นิโรธเอาพิจารณาลงให้ให้เห็นไม่ต้องตให้คนอื่นตัดสินตัวเองเพราะศาสนาธรรมสอนไว้ทุกๆบททุกๆบทและเพื่อเราทุกๆคนทุกๆท่านมีสิทธิจะปฏิบัติได้โดยกันและคําว่าสันทิฏิโกจะต้องรู้เองเห็นเองนี้ก็มีอยู่ในบทธรรมนี้แล้วคือการปฏิบัติของพวกเราอ้าวพิจารณาลงให้ถึง ชัดจะทั้งสีเป็นอะไรความบริสุทธิ์นั้นเป็นอะไรจะไม่มีปัญหาไปถามใครด้วยเพราะเหตุใดพอผู้หลงสัดจะทั้งสีนี้ก็คือเราเสียเองไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งมาหลงให้เราไหนจะจำเป็นจะต้องไปให้ผู้อื่นมาก ตอบแทนเรามารููแทนเรามีอย่างที่ไหนในหลักธรรมไม่มีเราเป็นคนหิวใช่เองเราต้องเป็นคนรับทานให้เห็นความอิ่มให้เห็นความอริยถร่อยรสชาติแห่งอาหารด้วยลิ้นของเราเห็นความอิ่มน้ำจำรานด้วยธาตุด้วยการรับทานของอิ่มน้ำจำรานในธาตุด้วยการรับทานของเราเอาทุกเราก็ยอมรับจะปฏิบัติตามหลักสัจจะสัจจะ คำว่าทุกข์ก็ไม่เป็นค่าศึกต่อบุคคลแต่บุคคลหากเป็นค่าศึกต่อตัวใชเองเหมือนอย่างไฟนี่เรื่องของไฟก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองว่าร้อนหรือหนาวหรือเออ้อร้อนหรือเย็นอะไรแต่มันสําคัญที่ผู้ไปสัมผัสกับไฟได้รับความทุกข์ความร้อน่นะผู้ที่เขาไปสัมผัสกับทุกข์นี่สิคือใข่ที่กลัวทุกข์แต่ไปเกี่ยวพันกับทุกข์อยู่ตลอดเวลาร้องโวยวายวายว่าทุกข์ว่าทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้ ยิ่งสังสมพัวพันทุก็ตลอดเวลาเนี่ยแต่มาอย่างไรลองเป็นนักสังเกตถ้าปฏิบัติไม่ใช่นักพวกพลาดไม่ใช่คนจักจบทำอะไรต้องให้มีเหตุมีผลไปพร้อมมูลภายในตัวของเดาอย่าทำแบบสุ่มเดา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 เพราะศาสนาคือคำสอนของพระเจ้าที่เป็นไยเหตุก็ดีไฟผลก็ดีไม่มีบทใดว่าขอไปทีผู้ปฏิบัติจริงจะมาปฏิบัติเพื่อขอไปทีเช่นนี้ไม่ถูกกันไม่เข้ากับหลักศาสนาแม้จะเป็นผู้ประกาศตนว่าถือระศาสนาก็สักแต่ว่าชื่อแต่ไม่ตรงตามหลักความจริงของศาสนาเนั้นไหนเราจะมาขอไปทีอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ขอให้ผ่านพ้นไปไม่เป็นประโยชน์อะไรต้องอยู่ด้วยข้อปฏิบัติต้องอยู่ด้วยการคิดการไตร่ตรองดูเหตุดูผลให้รู้ชัดภายนอกก็ให้มีเหตุมีผลภายในก็ให้มีเหตุมีผลความเพียรทุก ป, ประโยคให้สังเกตสอบรู้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องไปด้วยเหตุด้วยผลจะเห็นทางปวดเปืืองเห็นทางผิดทางถูกของตนเองและมีทางที่จะแก้ไขหากไม่แค่นั้นจะไปไม่รอด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 โง่และสอนคนให้โง่ผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นคนโง่ไปหมดมีอย่างที่ไหนไม่มีในหลักพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนัรนจงพยายามฟิตตัวให้เป็นผู้มีความฉลาด ร, รอบคอบกับหน้าที่การงานและข้อปฏิบัติของตนทั้งภายนอกภายในนี่จะสมนามว่าเป็นลูกสิทธาคตซึ่งประสิทธิ์ประสัดธรรมะไว้เพื่อสอนคนเพื่อคนให้ฉลาด เรื่งของจิตทานในรู้รอบตัวอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะสงสัยภายในตัวเองแนวจะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อยุ่งเหงิงข้องใจนับแต่ขณะได้รู้รอบไปเนี่ยคือรู้รอบสัจจะนั่นเองรู้รอบสัจจทั้งสี่รู้รอบตน ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวความรับผิดชอบอยู่ในสัจจทั้งสี่นั่นแหละที่ว่าหมดค่าศึกก็หมดที่นั่นหมดความกลัวก็หมดที่นั่นรู้ความกลัวเราก็รู้หมดแล้วอย่างอดีตจะคือความเป็นมาของกิจเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติรู้ในหลักปัจจุบั น, นเป็นสักขีพยานยืนยันได้ว่าผู้นี้แหละเป็นผู้พาให้เกิดให้ตาย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 เป็นธรรมชาติที่ตัดมูลเหตุที่จะก่อภพก่อชาติก่อทุกทุกประเภทขึ้นมาภายในใจได้คลี่คลายตัวเองออกหมดจากสิ่งที่เคยปิดบังนี้แหละเราจะให้ชื่อให้น้ำอะไรก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับธรรมชาตินัน้นขอทุกท่านจงนำไปทินิษฐ์ปิญนานะทำความเข้มแข็ง